ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันถวายชังทานที่จริงก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ทำบุญที่มีอย่างนิสงมากอยู่แล้วนะนั่นก็คือการมาทำความเห็นให้ตรงเรียกว่าทิฏฐิชุกกรรมในบรรดาบุญเกรียวัตถุศีล ป, ปการเนี่ยทานเนี่ยเป็นข้อแรก ข้อสุดท้ายเนี่ยซึ่งสาคัญมากก็คือทิฏฐิชั ก, กรรมทําความให้ตรงตรงอะไรนะตรงตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงนะก็ตกแต่รุน ล, ละตกอยู่ภายใต้พระไตรักษนณะ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาทําความให้ตรงนะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็มีความตายเป็นที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่มาฟังแต่ว่ามาร่วมปฏิบัตินะเพื่อจุดมุ่งหมายก็คือการจะเชิญพร้อมรับนะกับอนิจจังแล้ว่าทุกขังนะซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรานะทุกเวลาทุกนาทีแต่มันจะแสดงตัวเองชัดเจน ก็ในบ้านปางชีวิตก็คือความตายอันที่เรามาฝึกกันก็จะเรียกว่าเป็นการมาเรียนีิชาชีวิตเพื่อทำให้ชีวิตของเรานะเป็นไปใ น, ปนทางที่ถูกต้องอันจะว่าไปแล้วเนี่ยการเตรียมตัวตายเนี่ยเพื่อให้ตายทีตายสงบเนี่ยมันไม่ได้แยกจากการดำเนินชีวิตนะ อาจารย์ทธาท่านเคยตั้งปุุจฉาว่าทาอย่างไรจะเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดวิสัชนาคือว่าก็อยู่ให้ดีที่สุดแล้วจะอยู่ให้ดีที่สุดได้อย่างไรนะอันนี้เป็นปุจฉาววิสัชนาคือว่าก็เตรียมตัวตายเสมอการอยู่ดีกับการตายดีเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราต้อง ก, การตายดีก็จาเป็นต้องอยู่ดี อยู่ดีในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายถึงการอยูด่ดีกินดีนะแต่ว่าการอยู่โดยมีธรรมะนะเป็นเครื่องรักษาหรือว่ามีความตั้งมั่นในธรรมเมื่อเราทําความดีตั้งมั่นในธรรมแล้วเนี่ยก็จะหวั่นไหวต่อความตายน้อยลงอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อเขาเป็นพระโพุทธสัตว์ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า เมื่อตั้งมันในธรรมแล้วย่อมไม่กลัวปรโลกอีกที่นึงก็ตัดว่าเนี่ยก็พะเจ้าไม่มีความชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงการตั้งมั่นในธรรมก็ดีการาไม่ทําความชั่วก็ดีมันล้วแต่เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขนะและวิธีชีวนนินี้นีนั่นแหละนะ ถ้าว่าเราได้เตรียมตัวมาดีก็จะทาให้เราจากไปสงบมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเ่าให้ฟังว่าทุกเช้านี่แกตื่นมาตีห้าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำงานต้องออกไปทำงานแต่เช้าเพราะว่า จ, ะะจราจรมันแน่นขนาดมากถ้าสายทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาตีห้าก็จะเห็นแม่แล้วก็ ยายเนี่ยอยู่ในห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารถวายพระคือท่านใส่บาตเป็นประจำแต่ว่าตัวหลานสาวไม่ค่อยมีเวลาใส่บาตก็ต้องรีบไปทำงานอย่างที่ว่ามีวันนึงตื่นขึ้นมาเห็นแต่แม่อยู่ในครัวยายไม่อยู่ก็เลยไปไปที่ห้องของยายแล้วก็ พูดหน้าประตูว่ายายวันนี้ไม่ใส่บาตรเหรอเพราะปกติยายใส่บาตรเป็นประจำก็มีเสียงออกมาว่าวันนี้ไม่ใส่บาตรแล้วจะสวดมนต์นั่งสมาธิเธอก็ถามต่อไปว่ายายจะเอาอะไรไหมกลับมาจะซื้อมาฝากยายก็ตอบมาว่าไม่เอาอะไรแล้วแล้วเธอก็ไปทํางานตอนสายยายก็ยังไม่ออกมากินข้าวแม่ของผู้เล่านะซึ่งเป็นลูกของยายก็เลย ไปเรียกยายที่นาห้องไม่มีเสียงตอบเปิดประตูเข้าไปก็เห็นยายหรือแม่ของตัวเนี่ยกำลังนุ่งขาวห่มขาวนั่งพิงเสาในท่า น, นั่งสมาธิเรียกชื่อก็ไม่ขานก็นึกวันหลับไปก็เลยจับตัวเขยา่าพอจับตัวท่านหล้วนะร่างของยายก็ลงล ง, ลงมากองอยู่บนพื้นก็คือหมดลมไปแล้ว อาจจะหมดลมก่อนหน้านั้นสนะักชั่วโมงหนึ่งได้คำถามคือว่ายายรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของยายอาตมาว่ายายจ่รู้นะไม่งั้นก็ต้องไปใส่บานแล้วไอ้เมื่อรู้ว่าตัวเองเมื่อรู้ว่าวันสุดท้ายของตัวเองเนี่ยมาถึงแล้วทำไมไม่เรียกลูกหลานมาเพราะบางคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเมื่อจะตายก็อยากจะอยู่ตายท่ามกลางลูกหลาน หรือว่าสั่งเสียลูกหลานก็คงจะได้คาตอบว่าคงเป็นเพราะยายเนี่ยไม่มีอะไรจะสั่งเสียแล้วอะไรที่ควรจะพูดควรจะทำก็ทำเสร็จสิ้นแล้วกับลูกกับหลานนะแล้วก็คงเห็นว่าคนเราเนะเมื่อจะตายก็ควรตายคนเดียวมาคนเดียวก็ตายคนเดียวไม่ต้องไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าวุ้นวาย คนที่ทำเช่นนี้ได้เนี่ยนะก็แปลว่านะเขาได้ทำสิ่งที่ควรทำนะจยครบถ้วนแล้วบุญกุศลก็ได้ทำมามากพอแล้วเมื่อถึงเวลาจะตายก็ไม่ต้องไปใส่บาแล้วก็เตรียมใจนะสวดนมนต์นั่งสมาธิหรือถืกบุญพระรัตนตรยัยและพร้อมจักไปสงบคุณยายตายอย่างอย่างอย่างอย่างงดงามมากนะเห็นได้เลยว่าความตายนี่มันไม่น่ากลัว นะถ้าว่าเตรียมพร้อมและการเตรียมพร้อมของคุณยายคือการทําความดีการสร้างบุญสร้างบุญสนไม่ทําความชั่วทําหน้าที่ที่ควรทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะรวมถึงการเจริญภาวนาอยู่เป็นอาจินโดยเพราะการเจริญรสนัสตนะิเพื่อถึงเวลาะะตายก็พร้อมตายไม่ต้องไปประกาศให้ใครรู้นะตายคนเดียวตายสงบหลานสาวเนี่ยมาลูกข่าว ว่ายายตายก็ประมาณใสสา ย, สายเมื่อย้อนแ้เรืองถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าวันนั้นก็ก็มาเข้าใจนะที่คุณยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วนะไม่ได้แปลว่าหลานไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากนะแต่หมายถึงว่ายายปล่อยวางนะ <Okay. S 1> เมื่อปล่อยวางนะ <Okay. S 1> ก็ทำให้การตายอย่างสงบนะเป็นไปได้ แต่ว่าคนเราเนี่ยจะปล่อยวางได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคิดเอาเองนะมันต้องผ่านการฝึกแล้วก็ฝึกจากการดำเนินชีวิตประจําวันนั่นแหละนะไม่ใช่เฉพาะฝึกเวลาเข้าคอร์สเข้ากรรมาฐานเท่านั้ น, นแต่ว่าการฝึกให้ปล่อยรู้จักปล่อยวางในชีวิตประจําวันควบคู่ไปกับการทําความดีเรียกได้ว่าคุณยายเนี่ยตายอย่างสงบนะเพราะว่าได้เตรียมตัวมาตลอดด้วยการดําเนินชีวิตที่ดี ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในธรรมสมัยก่อนก็ได้ยินนะว่าคนถ้าคนแก่เนี่ยเขาหลับเขาตายในท่านั่งแนละ้วก็คิดว่าคงเป็นเฉพาะสมัยโบราณนะสมัยนี้ก็คงไม่มีใครตายในท่านั้นยกเป็นพระนะแต่ว่ากุญยาก็เป็นแบบอย่างว่าแม้กระทั่งเป็นคารวาสนะอยู่บ้านอยู่เรือน ก็ยังสามารถที่จะตายสงบแล้วก็ตายอย่างงดงามได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ได้เตรียมพร้อมมาเสมอเมื่อเตรียมพร้อมเสมอแล้วเนี่ยนะเมื่อถึงเวลาจะจากไปก็จากไปอย่างอย่างอย่างสงบได้แม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยร่างกายหรือเวทนาจะไม่เป็นใจอาตมาที่แต่พูดตั้งแต่วันแรกนะว่าหลวงพ่อของาตมาเนี่ยได้ท่านมรณะภาพ ด้วยสาเหตุคือหายใจไม่ออกนะไอ้ก้อนมะเร็งเนี่ยที่หลอดลมเนี่ยมันปิดถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วก็มันก็ปิดหลอดลมปิดหลอดอาหารจกนกระทั่งต้องรับประารทางสายยางทางหน้าท้องแล้วก็ต้องเจาะคอผู้ช่วยในการหายใจสุขภาพท่านก็พอใช้ได้นะแต่ว่าวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยไอ ก้อนมะเร็เนี่ยมันเติบโตอย่างเร็วมากนะพยายามที่จะลดด้วยด้วยใช้ยาสเตียรอยเนี่ยมันก็ไม่ยุบเลยนะตีหมาตีสีท่านก็กดกกร่งเพื่อที่บอกว่ามีความไม่ปกติเกิดขึ้นกัารหายใจลูกศิษย์ก็พยายามที่จะไปช่วยทำให้ก้อนก้อนเนื้อมันยุบนะฉีดสเตียรอยเข้าไปนะในหลายทางด้วยกันมันก็ไม่ยุบระหว่างที่ลูกศิษย์กำลังชุลมุนอยู่นะท่านก็ มีช่วนึ่งท่านก็นบอกว่าขอเข้าห้องน้ำนะท่านเข้าห้องน้ำท่านก็ถ่ายอุจระแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็ล้างหน้าล้างมือเสร็จแล้วขึ้นมาบนเตียงทั้งหมดนี้ท่านทนําอีกได้ตลอดนะทั้งที่การหายใจติดขัดแล้วพนะอขึ้นมาบนเตียงลูกศิษย์ก็ยังชุนลมุนกับการช่วยท่านเนี่ยหายใจได้สะดวกถึงจุดหนึ่งท่านก็บอกขอปากกาขอดินสอขอกระดาษ ท่านพูดไม่ได้ท่านก็เลยเขียนนะเขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายหรือท่านเห็นว่าทำยังไงคงจะแก้ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์ใจสารบนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็กำลังชุลมุนนะท่านก็ก็เลยไม่ได้อ่านข้อความนั้นคืออ่านมาแต่อ่านไม่ออกเพราะลายมือท่านหวัดท่านยืน่นปักยืน่นดินสอยื่นกระดาษให้นะ แล้วท่านก็หลับตาสักพักขอท่านก็ตกนะแปลว่าอะไรเพรานหมดลมไปแล้วนะเกิดขึ้นเร็วมากนะแล้วก็ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เพิ่งเขียนข้อความเมื่อสักครู่เนี่ยเขียนแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็จะจะหมดลมหรือว่าละสังขารไปธรรมดาคนที่เ อ, อหายใจหมเี่จะทรมานมากนะ แต่ว่าท่านมีความสงมบตั้งสติได้ตลอดแล้วก็ที่จริงถึงเวลาที่ถ้าเตรียมตัวดีนะเตรียมใจมาดีเนี่ยถึงเวลาจะตายเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากเตรียมกายนะหลวงพ่อท่านก็ไปเข้าห้องน้ำนะเพื่อที่จะชำระร่างกายท่านให้ใหไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้เป็นปัญหากับลูกศิษยนะ์เรื่องเตรียมใจท่านก็ไม่ได้เตรียมนะเพราะว่าธรรมดา น, านแล้วถึงเวลาก็สามารถจะ จากไปไดนะ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอ น, นิสงฆ์แห่งการปฏิบัติธรรมนะว่าถ้าเราได้ทาความเพียรได้เจริญสติทำสมาธิภาวนาเตรียมใจมาอย่างดีนะความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวความตายก็เป็นแค่ธรรมชาติธรรมดาของสังขารเป็นความเปลี่ยนผ่านนะของเหตุปัจจัยของอ ขันทั้งท่านั่นเองวพวกเราถึงแม้จะเป็นผู้ที่ไกลวัดบางคนไกลวัดบางคนอาจจ ะ, ะไม่เคยได้มีเัาปฏิบัติธรมแต่ถ้ากว่าได้ทำความเพียรอยู่ที่บ้านนะบให้ทานรักษาศีลเจริญพรนาะยพ็ น, นิดโดยพ่อการเจริญมรณาสติเสมอก็มั่นใจได้ว่าเมื่อความตายมาถึงนะ ก็จะสามารถจับไปอย่างสงบได้หรือว่าเมื่อเราเจ็บป่วยก็จะไม่ทุรนทุรายแม้มีทุกขเวทนาบีขั้นแต่ว่าใจปกติตายป่วยแต่ว่าใจไม่ป่วยนะในใจนั้นก็าจะานึกว่าเออตายก็ได้นะหายก็ดีตายก็ไม่กลัวแต่ถ้าหายก็ดีสามารถจะทําำุลงานความดีสร้างประโยชน์ได้ต่อไปแต่ถ้าหาว่าเหตุปัจจัยแม่หน่อยต้องตาย ก, ก็ได้ ให้เราตมาก็หวังว่าการบําเพ็ญเพียรของพวกเรานะจะช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ก็คือเมื่อเวลาที่ป่วยหนักถึงระยะสุดท้ายนะก็ยอมรับได้สานะมารถทำใจได้ว่าตายก็ได้หายก็ดีนะและสิ่งเหล่านี้แหละนะจะช่วยทําให้การเป็นอยู่ของเรานะีมันมีคุณค่ามีความหมายนะเพราะอย่างที่ได้พูดตั้งแต่ตอนต้นว่า การอยู่ดีกับการตายดีนะั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าเราอยู่ดีการตายดีก็เป็นไปได้และถ้าเราอยากจะให้การตายดีเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะอยู่ให้ดีที่สุดนะก็ขออนุโมทน า, นะมาพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาร่วมกันมามาเรียนรู้นะแล้วก็แลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเกือก้อกูลกันให้เกิดสติปัญญา ภาะชนนิข์ขออ้างคุณพระศิรตนไตรนะอเมร์เออผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขะละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานเสีพวนาคอยยืนย็นเป็นสุขก้านวะข้ามความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยจิตที่แจ่มใสเบิกบานสามารถบำเป็ญเพียนให้เกิดปัญญาจนพาเจออกจากความทุกข เข้าถึงความสุขเกษมสามมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิเตรียมเรียมกดน้ำนะนนยะถาวริวหาปุราภิภูเรนตริสาคารังเอวเมวอิโตทินนางเปตนานังอุป ก, กัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชโตสภะภพพูเรนตรุสังกปา กันโถกันระโสยะถามณิโชติระโสยะถา สุาอรยะจโคทังหินาินาสังมิสุปติตตาติการตาอิตายาสานาโส ปะกัปัติโสยานตินามุนจะยังนิทาสิโดเบตาะพุนชาจะกาตาอุรารามรัจชาพิคุณนามนุมาธินาตุมเหติปุญญังปัสตังอนามปะกานณี ปาวตุสัมภมันารัราทนตุสัมภะเดวันตานสัมภูรานุภาเวนัสธาโสติปาวาตุเตวปวตุสัมภะมังฆรั ราันตุสามันเทวันตาสัมัมานุภาเวนะสัตาสุนติภาวนตุเต่ยมภาวนตุสามคัมมาคัลามราคันตุสามคันเทวันตาสัมสังฆานุภาเวนะสัาสุนติภาวน